บทที่สิบเอ็ดวิธีกำจัดความฟุ้งซ่านที่มีสาเหตุมาจากความโกรธสาเหตุที่สำคัญของความฟุ้งซ่าน เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมีอย่างเดียวคือเพราะข้างในไม่สงบเปรียบเหมือนน้ำใ้กาเมื่อข้างล่างเริ่มมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วน้ำก็จะปั่นป่วนตราบใดที่ข้างล่างยังร้อนอยู่น้ำจะหยุดนิ่งไม่ได้ในทํานองเดียวกันคนที่นั่งสมาธิไม่ได้เพราะควบคุมความคิดไม่อยู่จิตจะคอยฟุ้งซ่านอยู่เรื่อย เพราะในจิตไร้สมนึกได้สะสมวิบากของความเร่าร้อนไว้มากเช่นเมื่อปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็เกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลเกิดความเสียใจหรือเมื่อมีใครขัดใจก็เกิดความโกรธแค้นคนที่มีนิสัยใจร้อนอยากได้อะไรก็จะเอาเดี๋ยวนั้นเมื่อไปได้อย่างใจก็งุ่นง่าน เมื่อความทุกข์หรือความไม่สงบเหล่านี้เกิดขึ้นมิบาเข้ามันก็เกิดขึ้นในสันดานและโดยปกติคนทั่วไปได้สะสมมิบากเหล่านี้เอาไว้มากเพราะฉะนั้นใจของคนทั่วไปจึงเปรียบเหมือนกับน้ําในกาที่ตั้งอยู่บนเตาไฟซึ่งในเมื่อข้างในร้อนอยู่เสมอมันก็ย่อมจะปั่นป่วนความเร่าร้อนความไม่สงบ ความทุกข์ต่างๆที่สะสมไว้ในสันดานนี่คือสาเหตุโดยตรงของความฟุง้งซ่านซึ่งถ้าเปรียบกับโรคทางกายก็อาจจะเปรียบได้กับโรคมะเร็งซึ่งมันค่อยๆเป็นขึ้นทีละน้อยละน้อยและถ้าปล่อยให้เป็นมากแล้วก็รักษายากสําหรับโรคมะเร็งทางกายอาจใช้วิธีผ่าตัดได้ถ้าเป็นอยู่ในตําแหน่งที่พอจะทําการผ่าตัดได้ มะเร็งในทางจิตก็เหมือนกันบางคนอาจจะทําการผ่าตัดได้แต่ส่วนมากทําได้ยากเพราะพื้นฐานในด้านคุณธรรมบางอย่างถ้ามีไม่พอก็ไม่อาจที่จะผ่าตัดได้การผ่าตัดในทางจิตใจหมายถึงการขุดเอารากคือวิชาออกซึ่งถ้าขุดออกได้หมดก็หายได้อย่างเด็ดขาดแต่ส่วนมากจะขุดไม่ได้ เพราะพื้นคุณธรรมบางอย่างมีไม่พอเช่นนิสัยเสียสละความกล้าหาญความซื่อสัตย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าหากคนไหนพื้นเดิมเป็นคนมีนิสัยเสียสละสูงกล้าหาญอดทนมากเป็นคนรักษาคำพูดทำอะไรทำจริงถ้าหากพื้นเหล่านี้สูง การขุดเอาอาวิชาออกก็ทำได้โดยไม่ยากคนที่ผ่าตัดทางร่างกายถ้าร่างกายอ่อนแอก็ทำไม่ได้หรือถ้ามีโรคบางอย่างแทรกอยู่ก็ผ่าตัดไม่ได้เช่นเป็นโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นอวิชาคือสาเหตุของความไม่สงบทุกอย่างและการที่เราจะแก้อวิชาได้ประการแรกก็คือ ต้องพยายามศึกษาทำให้เข้าใจถ้าเข้าใจซึ่งมากการกําจัดอวิชาก็ทําได้ง่ายแต่ปัญหาสําคัญก็มีอีกคือคนที่จะศึกษาทำให้เข้าใจซึ่งนั้นหาได้ยากจะศึกษาเพียงแค่จําได้และให้เข้าใจเพียงแค่เท่าที่จําได้นั้นไม่ยากส่วนที่จะให้มีความทราบซึ่ง ออกมาจากข้างในนันน้นยากมากทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมดาคนเรามีความหลงผิดอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นกันอยู่ตลอดเวลาและก็แก้ยากที่สุดคือการหลงความคิดของตัวเองการหลงความคิดของตัวเองหมายความว่าหนึ่งตัวเองคิดผิดแต่ไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองกำลังคิดผิด สตัวเองคิดถูกแต่ไม่รู้สึกตัวว่าความถูกต้องอันนั้นมีขอบเขตแค่ไหนซึ่งคนประเภทนี้มักจะหลงว่าตัวเองมีความสามารถและคิดถูกทุกอย่างแต่ความเป็นจริงแล้วถูกบางอย่างเท่านั้น 3. ตัวเองมีความคิดถูกต้องทุกอย่างจริงแต่ยึดถือว่า ความคิดอันถูกต้องนั้นเป็นของตัวเองและมีความภาคภูมิใจหรือยิ่งในความคิดอันนั้นคาว่าหลงความคิดของตัวเองมีความหมายอยู่สามอย่างดังที่กล่าวมานี้สำหรับในข้อที่หนึ่งและสองไม่สู้จะมีปัญหาถ้าหากได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องความหลงผิดก็จะหมดไปแต่สำหรับข้อที่สาม ยากมากที่จะปลดเปลื้องออกไปได้ความฟุ้งซ่านทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็เนื่องมาจากอวิชชาคือความหลงผิดทั้งสามประการนี้ตัวเองคิดผิดแต่ไม่รู้สึกตัวว่าคิดผิดตัวอย่างในเรื่องนี้มีมากเช่นคนส่วนมากเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงเกิดมาจากสิ่งภายนอก เวลามีใครเข้ามาด่าหรือมาว่าก็เกิดความโกรธก็เข้าใจว่าเพราะคนอื่นทําให้โกรธหรือถ้าเกิดความผิดหวังอะไรขึ้นมาเกิดความทุกข์ก็โทษเหตุการณ์หรือโทษคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเหตุทาให้เราเกิดความผิดหวังความหลงผิดในลักษณะเช่นนี้เป็นกันมากที่สุดเพราะฉะนั้น ถ้าหากคนไหนปลดเปลื้องความหลงผิดอันไหนได้คือรู้สึกตัวได้ว่าหลงผิดไปในเรื่องนี้ในขณะนั้นก็จะรู้สึกว่าใจเป็นสุขขึ้นและความสงบก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่แล้วมันก็อาจจะอยู่ไม่ได้นานเพราะจุดนี้เข้าใจถูกต้องแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีจุดอื่นอีก และจุดใดที่ว่าเคยเข้าใจแล้วนั้นภายหลังอาจจะลบเลือนไปอีกก็ได้เพราะจุดแต่ละจุดที่เราเข้าใจผิดนั้นมันเกี่ยวโยงถึงกันจุดนี้เข้าใจแต่จุดอื่นยังไม่เข้าใจในเมื่อจุดที่ยังไม่เข้าใจนั้นเกิดกำเริบขึ้นมาก็จะทำให้จุดที่ว่าเข้าใจแล้วนั้นมืดมัวไปอีก เหมือนกับอวัอยวะต่างๆในร่างกายเมื่อเรารักษาส่วนใดส่วนหนึ่งให้หายเป็นปกติแต่ส่วนอื่นยังเป็นโรคอยู่และถ้าส่วนที่เป็นโรคนี้กาเริบขึ้นมาคือเป็นโรคร้ายแรงขึ้นกว่าเดิมก็ย่อมจะทำให้ส่วนที่ว่างหายแล้วนั้นเป็นโรคขึ้นมาอีกได้เพราะเหตุที่คนเราเมื่อเข้าใจถูกในบางสิ่งบางอย่างแล้ว แต่ก็อาจจะหลงผิดได้อีกเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการเตือนสติกัน บ, บ่อยๆขอให้สังเกตว่าในเวลาที่เราอ่านหนังสือธรรมหรือฟังปาธกถาธรรมตอนใดที่เราเข้าใจแจ่มแจ้งเราจะรู้สึกมีปีติมีความสงบมีความแจ่มใสนี่คือข้อสังเกตที่ดีมาก ในทางหลักวิชาถือว่าถ้าเรานั่งสมาธิจึงกระทั่งมีปีติและสุขเกิดขึ้นก็จะทำให้สมาธิมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นในเมื่อการศึกษาธรรมหรือการพิจารณาธรรมช่วยให้เราเข้าใจธรรมแจ่มแจ้งทุกคนก็ควรจะใช้วิธีนี้ก่อนเข้าสมาธิหมายความว่า ในขณะที่เราเข้าสมาธิเราจะต้องหยิบทำข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาพิจารณาให้เข้าใจแจมแจ้งเพื่อแก้ไขอวิชชาในตัวเองเสียก่อนก็จะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายระ ง, งับความฟุ้งซ่านได้ดีบทเรียนที่ได้ให้มาแล้วว่าตัวเราคือความคิดซึ่งถ้าหากเราพิจารณาให้เข้าใจ จนกระทั่งมองเห็นชัดว่าถ้าตัวเราคือความคิดตัวเราก็ไม่มีจริงก็จะกำจัดความฟุ้งซ่านได้ดีที่สุดแต่ความหมายของบทนี้ลึกซึ้งและสลับซับซ้อนมากบทนี้เพียงบทเดียวถ้าเข้าใจตลอดทุกแง่ทุกมุมทุกครั้งที่เข้าสมาธิก็ใช้บทนี้เพียงบทเดียวได้ตลอดการ แต่เพราะเหตุที่บทนี้เป็นบทที่ยากมากน้อยคนที่จะใช้ได้ผลเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องขยายความหรือใช้บทอื่นๆ อ, อ, อีกหลายบทเป็นบทประกอบเพื่อเป็นพื้นฐานให้ใช้บทนี้ได้ผล ที่สองวิธีชนะความโกรธตอนที่หนึ่งไม่มีใครทําให้เราโกรธได้นอกจากตัวของเราเองจะทําให้แก่ตัวเราเองคนโดยมากที่นั่งสมาธิไม่ได้เพราะมีความฟุ้งซ่านนั้นสาเหตุที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเป็นคนโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายสะสวมวิบากของความโกรธอยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้น ถ้าหากใครก็ตามปรงตกได้ว่าทุกครั้งที่มีใครมาทำให้โกรธทำให้ไม่พอใจนั้นถ้ารู้สึกตัวคือเห็นความจริงขึ้นมาว่าอันที่จริงไม่มีใครทำให้เราโกรธเลยความโกรธที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็เพราะตัวเราเองทำให้กับตัวเราแท้แท้ถ้าหากรู้สึกขึ้นมาเช่นนี้ความโกรธก็จะระ ง, งับได้ทันที แล้วจะเกิดปีติที่รู้สึกว่าเอาชนะใจตัวเองได้หรือรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราฉลาดขึ้นบทนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเข้าใจดีแล้วแต่ข้าพเจ้ากล้ายืนยันได้ว่าขนาดข้าพเจ้าซึ่งเข้าใจบทนี้ดีก็ยังรู้สึกว่ายังเข้าใจบทนี้ไม่ตลอดเพราะคำว่า เราทําให้แก่ตัวเราเองนั้นมันมีประเด็นหลายอย่างมันไม่เหมือนอย่างว่าคราวนี้เราเจ็บเพราะเราเผลอเอาไม้มาตีหน้าแข้งของเราเองอย่างนี้ง่ายแต่บางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราเจ็บเพราะการกระทําของเราเองเช่นเรารับประทานอาหารเข้าไปแล้วท้องเสียซึ่งบางทีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ท้องเสียคราวนี้เป็นเพราะอะไรแนะ่และที่ว่าท้องเสียนั้นถ้าเราไม่ใช่หมอเราก็แยกแยะไม่ได้ว่าท้องเสียคราวนี้เป็นโรคอะไรในด้านจิตใจก็เหมือนกันบางทีเราก็รู้ว่าเราโกรธคราวนี้เพราะการกระทำของเราเองแต่ก็จะไม่รู้แน่ว่าอะไรทําให้เราต้องทําอย่างนั้น ระบุหรือชี้ความผิดออกมาชัดๆไม่ได้เพราะยังจับความหลงผิดในตัวเองไม่ได้แล้วก็ระ ง, งับความโกรธไม่ได้แต่ถ้าหากในขณะใดเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วความโกรธสงบได้ทันทีก็หมายความว่าในขณะนั้นได้มองเห็นชัดว่าตัวเองหลงผิดหรือคิดผิดอย่างไรจึงได้โกรธ ถ้าจับตัวความผิดได้ชัดคราวหลังถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้อีกก็แก้ไขตัวเองได้ง่ายแต่คนส่วนมากมักจะขี้เกียจแยกแยะความคิดของตัวเองออกพิจารณาและไม่ค่อยศึกษาธรรมฉะนั้นจึงไม่ค่อยจะรู้สึกตัวเองว่าทุกครั้งที่ความโกรธเกิดขึ้นไม่ว่าสาเหตุภายนอกจะเป็นอะไรก็ตาม นั่นไม่ใช่ตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดความโกรธตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความโกรธนั้นอยู่ในใจของเราเองตัวการที่ว่า น, นี้ก็คือความหลงผิดหรือการเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึง่งเรื่องที่จะจับตัวการคือความหลงผิดนี้ขอได้โปรดจำไว้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเหมือนกับการจับผู้ร้ายที่ฉลาด ซึ่งถ้าผู้จับไหวพลิบไม่ทันก็จับผู้ร้ายไม่ได้แต่ถ้าหากเราเป็นคนช่างสังเกตและมีหลักวิชาในการสังเกตซึ่งหลักวิชาที่ว่า น, นี้ก็คือหลักธรรมซึ่งเราจะต้องเรียนจากตำราหรือจากครูบาอาจารย์เสียก่อนเราจึงจะได้หลักสังเกตที่ดีแล้วในที่สุดเราก็จะจับตัวความหลงผิดได้ง่าย แต่ถ้าไม่มีหลักวิชามันก็เหมือนกับเราซึ่งไม่ใช่หมอตรวจอาการของคนไข้แล้วแต่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะต้องเรียนหลักธรรมด้วยหลักธรรมซึ่งจะเป็นหลักในการสังเกตก็คือให้พยายามศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่าถ้าหากเราไม่มีวิบากของความโกรธอยู่ในสันดานแล้ว ใครจะมาทำให้เราโกรธไม่ได้เลยเป็นอันขาดมิบากเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองเพราะคิดอย่างไรวิบากของความโกรธจึงเกิดขึ้นในสันดานนี่คือจุดสำคัญที่สุดคนที่โกรธ บ, บ่อยๆถ้าหากไม่มัวเพ่งเร็งไปที่เหตุการณ์หรือที่บุคคลภายนอกแต่หันมาพิจารณาความคิดของตัวว่า คิดอย่างไรจึงได้โกรธในไม่ช้าก็จะจับตัวการที่ทําให้เกิดความโกรธคือตัวความหลงผิดได้เช่นอย่างในบางกรณีเพราะโกรธเขาเพราะคิดว่าเขานินทาเราหรือเขาดูถูกเราหรือเขาขโมยของของเราไปแต่ภายหลังเมื่อมาสืบได้ว่าความจริงเขาไม่ได้เนรทาเรา เขาไม่ได้ดูถูกเราเขาไม่ได้ขโมยของของเราไปวิบางความโกรธที่ฝังอยู่ในสันดานก็จะหมดไปจากตัวอย่างในทานองนี้จะเห็นได้ชัดว่าความโกรธเกิดขึ้นเพราะความหลงผิดแม้ในกรณีอื่นๆก็เกิดจากสาเหตุอันเดียวกันคือความหลงผิดเป็นแต่บางครั้งเราไม่ทราบว่ามันหลงผิดอย่างไร เพราะความหลงผิดนั้นมีหลายชั้นเช่นในกรณีที่เขาดา่าหรือเขาว่าเราจริงๆเราเข้าใจถูกแล้วที่คิดว่าเขาว่าดา่าหรือเขานินทาเพราะความจริงเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ถ้าเราโกรธก็หมายความว่าเรายังหลงผิดแต่คนส่วนมากจะไม่รู้ว่าความหลงผิดมันอยู่ตรงไหนปัญญามีชู สามีนอกใจถูกเขาโกงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจริงๆแต่ถ้าเราเกิดความโกรธมันก็หมายถึงว่าเรายังหลงผิดแต่ท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าเรื่องในทำนองนี้ไม่ใช่ของง่ายที่เราจะรู้สึกว่าเรามีความหลงผิดอย่างไรและก็อย่าลืมว่าความหลงผิดมีหลายชั้น หรือหลายแง่หลายมุมตราบใดที่ความโกรธยังไม่หายไปจากสันดานก็แปลว่าในเรื่องนั้นยังมีมุมใดมุมหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจความจริงการเข้าสมาธิเพื่อขจัดความฟุ้งซ่านที่ได้ผลแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือจงพิจารณาข้อความที่ว่าในโลกนี้จะไม่มีใครทำให้เราโกรธได้เลย นอกจากตัวเราจะทําให้กับตัวเราเองเท่านั้นในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้ให้หลักไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าหากเราไม่มีวิบากข้องความโกรธอยู่ในสันดานแล้วใครจะมาทําให้เราโกรธไม่ได้เลยเป็นอันขาดวิบากเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเองเพราะคิดอย่างไรวิบากของความโกรธจึงได้เกิดขึ้นในสันดาน นี่คือจุดสําคัญที่สุดคนที่เข้าใจหลักข้อนี้ดีก็ย่อมจะตระหนักได้ดีว่าในโลกนี้จะไม่มีใครทําให้เราเกิดความโกรธได้เลยนอกจากตัวของเราเองและข้าพเจ้าก็ได้กล่าวมาแล้วว่าสําหรับคนที่รู้สึกตัวเช่นนี้ได้ความโกรธก็จะน้อยลงโดยลําดับเพราะทุกครั้งที่เกิดความโกรธ ซึ่งส่วนมากก็เนื่องมาจากเหตุการณ์ภายนอกเช่นมีคนมาด่ามาว่าหรือทำอะไรไม่ถูกใจหรือมีคนมาแกล้งมาทำลายทรัพย์สมบัติหรือชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนที่รู้สึกตัวแล้วว่าตัวการที่ทำให้เกิดความโกรธก็คือวิบากของความโกรธที่มีอยู่ในสันดานเมื่อเขารู้สึกตัวเช่นนั้น เขาก็จะไม่โทษเหตุการณ์ภายนอกไม่โกรธคนนั้นคนนี้ตรงกันข้ามเขาจะพยายามมาแก้ไขที่ตัวเองซึ่งนับว่าเป็นการแก้ที่ถูกจุดเปรียบเหมือนหมอที่รักษาโรคตรงกับสมุดฐานโรคก็ย่อมจะหายเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่จะทำให้บุคคลหรือเหตุการณ์ภายนอก ให้เป็นไปอย่างใจเราเสมอนานเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการกําจัดความโกรธโดยวิธีแก้ไขสิ่งภายนอกนั้นถ้าจะได้ผลก็เพียงชั่วคราวแต่จะไม่ได้ผลโดยเด็ดขาดเพราะตราบใดที่ยังไม่ได้ลบอวิบากของความโกรธออกจากสันดานความโกรธจะต้องเกิดขึ้นอีกเสมอ ในเมื่อมีสิ่งมายั่วเยาและทุกครั้งที่ความโกรธเกิดนิบากของมันก็เกิดอีกด้วยเหตุนี้เรื่องของความโกรธจะไม่มีวันหมดสิน้นการกำจัดความโกรธต้องมาแก้ที่ตัวเองคือต้องพยายามลบวิบากของความโกรธที่มีอยู่ในสันดานนั้นให้หมดไปวิธีการที่จะลบก็คือ ถ้าหากมีเหตุการณ์มาย่อยาวให้เกิดความโกรธแต่แล้วไม่โกรธก็แปลว่าเราเริ่มชนะแสดงให้เห็นว่าวิบาคของความโกรธที่มีอยู่ในสันดานค่อยๆ อ, อ่อนกำลังลงแล้วและในเมื่อไม่โกรธก็หมายความว่าในบัดนี้ได้มีตัวยาที่เป็นปฏิปักษ์ซึ่งสามารถจะลบล้างวิบาทของความโกรธ ให้ค่อยๆหมดไปได้อะไรคือตัวยาที่สามารถกำจัดความโกรธได้นี่เป็นเรื่องที่ตัวเราเองจะต้องพิจารณาเอาเองกล่าวคือจะต้องคอยสังเกตดูว่าเพราะคิดอย่างไรความโกรธจึงไม่เกิดไม่ทานองเดียวกันกับที่เราจะต้องรู้ว่าเพราะคิดอย่างไรความโกรธจึงได้เกิดขึ้น ในหลักปฏิจจสมุปบาทมีอยู่ว่าสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปข้อนี้หมายความว่าความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากอันไหนไม่มีความคิดอันนั้นก็ไม่มีโปรดจำไว้ให้ดีว่าคาว่าสังขารในที่นี้ หมายถึงวิบากต่างๆที่สะสมไวในสันดานไม่ใช่หมายถึงร่างกายหรืออีกในหนึ่งสังขารในที่นี้หมายถึงเจตนาต่างๆซึ่งในการที่คนเราจะมีเจตนาเกิดขึ้นอย่างไรก็เนื่องมาจากนิสัยสันดานหรือเนื่องมาจากความรู้ความเข้าใจคนที่มีนิสัยสันดานดีก็ย่อมจะมีเจตนาในทางดี คนที่มีนิสัยสันดานไม่ดีก็จะมีเจตนาชั่วเกิดขึ้นเสมอถ้าคนเรามีความรู้ความชำนาญมาในทางไหนหรือมีประสบการณ์มาอย่างไรก็จะมีเจตนาเกิดขึ้นในทางนั้นเพราะฉะนั้นเจตนาที่เกิดจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะโน้มเอียงไปทางไหนก็สุดแล้วแต่วิบากที่สะสมเอาไว้ในนิสัยสันดาน ความรู้ความจัดเจนหรือประสบการณ์ต่างๆที่สะสมไว้ในใจก็คือวิบากนั่นเองสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีสังขารหมายถึงวิบากต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ววิญญาณก็หมายถึงวิถีวิญญาณทั้งหและหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ หลักที่กล่าวมานี้มีความหมายลึกซึ้งและสลับซับซ้อนมากแง่หนึ่งที่ควรจะนํามาพิจารณาในที่นี้ก็คือคิดอย่างไรจึงได้เกิดความโกรธขอให้สังเกตว่าทุกครั้งที่คิดอย่างนั้นความโกรธเป็นต้องเกิดขึ้นเสมอทัางนี้ก็เพราะมีกฎอยู่ว่าเมื่อใดความคิดเกิด เมื่อนั้นว enfin ิบากของมันก็เกิดขึ้นในสันดานเมื่อใดความโกรธเกิดวิบากของมันก็เกิดขึ้นในสันดานความคิดที่เกิดมีลักษณะอย่างไรวิบากที่เกิดในสันดานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นความโกรธที่เกิดมีลักษณะอย่างไรวิบากของความโกรธที่เกิดขึ้นในสันดานก็จะมีลักษณะเช่นนั้นเพราะเหตุนี้ เมื่อเคยคิดอย่างไรเกิดความโกรธในเมื่อมีอารมณ์อย่างเดียวกันมายั่วอีกก็จะคิดแบบเดียวกันและความโกรธก็จะเกิดแบบเดียวกันสำหรับผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเขาที่จะไม่ยอมรับว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำให้เราโกรธนอกจากตัวของเราเอง เมื่อเราเดินเผลอเรอไปเหยียบหนามน้าต่ำเข้าไปในเท้าและเมื่อยังไม่ได้เอาหนามออกทุกครั้งที่เดินก็จะรู้สึกเจ็บโปรดพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรทำให้เกิดความเจ็บการเดินหรือที่ทำให้เกิดความเจ็บไม่ใช่พื้นหรือที่ทำให้เกิดความเจ็บไม่ใช่เพราะเมื่อก่อนที่หนามยังไม่ได้ตำ่ำ เคยเดินบนพื้นอย่างเดียวกันแต่ไม่เจ็บแต่คราวนี้ในเมื่อห น, นามยังตำอยู่ทุกครั้งที่เดินเป็นต้องเจ็บเสมอตัวการที่ทำให้เจ็บก็คือหนามที่ตำอยู่นั่นเองใครเล่าที่เป็นคนทำให้หนามตำตัวเราเองใช่หรือไม่เพราะความเผลอใช่หรือไม่ตัวอย่างอุปมาดังที่กล่าวมานี้เป็นคําอธิบายที่ดีมาก เพราะมันทําให้เราเข้าใจได้ดีว่ามิบาของความโกรธที่ฝังอยู่ในสันดานนั่นแหละคือห น, นามที่เราเผื่อปล่อยให้มันตําเข้าไปเพราะคิดอย่างไรจึงได้เกิดความโกรธคนโดยมากไม่เคยพิจารณาอย่างละเอียดรู้แต่เพียงห ย, ยาบๆว่าตัวเองคิดอย่างนั้นอย่างนี้จึงได้เกิดความโกรธน้อยคนนัก ที่จะสามารถแยกแยะความคิดอันนั้นออกมาให้ละเอียดจนกระทั่งมองเห็นชัดว่ามีความหลงผิดอะไรจึงไปคิดอย่างนั้นและทำให้รู้สึกว่าความคิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่ผิดเพราะคิดผิดนี่เองความโกรธจึงได้เกิดขึ้นข้าพเจ้าได้เคยให้ตัวอย่างมาแล้วว่าในบางกรณีที่เราหลงโกรธคนอื่น เพราะความเข้าใจผิดนั้นแก้ไม่ยากเป็นต้นว่าเพราะหลงโกรธนายกอเพราะเข้าใจว่านายกอมาด่ามาว่าหรือนายกอทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ต่อมาภายหลังเมื่อมารู้ความจริงว่านายกอไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าอะไรเลยและไม่ได้ทำผิดอะไรเลย ความโกรธที่มีอยู่ต่อนายกนก็จะหายไปทันทีความโกรธในกรณีเช่นนี้แก้ไม่ยากข้อที่ยากนั้นก็คือนายกอได้ดา่าได้ว่าได้ทำผิดจริงแล้วเราก็โกรธครั้นแล้วก็ยังพูดอีกว่าจะไม่ให้ฉันโกรธได้อย่างไรเขดาด่าเขาว่าช่จริงๆริงเขาทำผิดจริงในกรณีเมีย ม, มีชู้ สามีนอกใจเขาโกงเราไปจริงๆซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงในกรณีเช่นนี้น้อยคนนักหนาที่จะไม่โกรธแต่ถึงกระ น, นั้นข้าพเจ้าก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่คนเหล่านั้นทำให้เราโกรธความโกรธในกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะเรามีความหลงผิดที่ลึกซึ้ง เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้และด้วยความหลงผิดอันนี้จึงทำให้เกิดความโกรธและเพราะเหตุที่เคยโกรธทุกครั้งถ้ามีเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นเราได้ปล่อยให้วิบากของความโกรธประเภทนี้เกิดขึ้นในสันดานของเราทั้งได้สะสมไว ม, มากซึ่งบางคนก็ได้สะสมไว้อย่างรุนแรงขนาดถ้าโกรธแล้วต้องฆ่ากัน แน่นอนเหลือเกินว่าถ้าเราได้สะสมวิบากไว้อย่างไรทุกครั้งที่เกิดความโกรธมันก็จะออกมาในรูปอย่างนั้นเช่นทุกครั้งที่โกรธจะต้องคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นทําอย่างนั้นตราบใดที่วิบากอันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เกิดความโกรธในเหตุการณ์อย่างเดียวกัน ความโกรธมันก็จะออกมาในรูปเดิมทุกครั้งกล่าวคือเคยคิดอย่างไรพูดอย่างไรทำอย่างไรก็จะคิดพูดและทำอย่างนั้นแต่ถ้าหากครั้งใดเมื่อมีเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นเราก็ยับยั้งไว้ได้ก็หมายความว่ามีบาข้องความโกรธที่มีอยู่เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว และถ้าเราสังเกตได้ว่าเพราะคิดอย่างไรจึงไม่โกรธก็ขอได้จําความคิดอันนั้นไว้ให้แม่นและพยายามหมั่นคิดอย่างนั้นบ่อยๆวิบาะของความโกรธที่มีอยู่ในสันดานก็จะค่อยๆน้อยลงไปเองถ้าวิบาะของความโกรธในเรื่องไหนไม่มีก็หมายความว่าเราได้ดึงหนามในเรื่องนั้นออกมาแล้วต่อไป แม้จะเดินอย่างไรก็ไม่เจ็บเท้าจากคำอธิบายที่ได้กล่าวมานี้ท่านได้มองเห็นแล้วหรื อ, อยังว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำให้เราโกรธได้นอกจากตัวขขาตัวเองแต่อย่างไรก็ดีข้อสำคัญก็คือจะต้องพยายามพิจารณาค้นหาตัวอวิชชาที่มันแทรกอยู่ในความนึกคิด ที่ทำให้เกิดความโกรธและอย่าลืมว่าการค้นหาตัววิชานั้นเป็นงานที่ยากมากเข้าได้ทานองที่ว่าถ้ายัา ง, งโง่อยู่ก็จะไม่รู้สึกตัวว่าโง่ต่อเมื่อฉลาดขึ้นมาแล้วจึงจะรู้สึกตัวว่าเมื่อก่อนตัวเองโง่อย่างไรพัญญามีชู้สามีนอกใจเขาด่าเราจริงๆ เขาโกงเราไปจริงๆเขาดูถูกเราจริงๆตัวอย่างในทำนองนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยที่จะค้นให้พบว่าเอาละเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทำไมจะต้องโกรธ ด, ด้วยละ่ะท่านจะตอบว่าอย่างไรเห็นหรื อ, อยังว่ามันไม่ใช่ของง่ายที่จะค้นหาตัวความเข้าใจผิดหลงผิด ที่ทำให้เกิดความโกรธคนโดยมากมีนิสัยเข้าข้างตัวเองมักจะนึกว่าตัวเองถูกเสมอทั้งที่ได้เคยทําความผิดมาอย่างเดียวกันซึ่งสําหรับตัวเองแล้วให้อภัยแก่ตัวเองได้แต่ถ้าคนอื่นทําผิดอย่างที่ตัวเองเคยทําก็มักจะให้อภัยไม่ได้และมักจะหาเหตุผลมาเข้าข้างตัวว่า เขาทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงได้โกรธแต่นี่ก็เป็นเพียงมุมหนึ่งที่อาจจะทำให้คนประเภทนี้รู้สึกตัวได้บ้างว่าเราโกรธเขาก็เพราะเราไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีนิสัยเห็นแก่ตัวชอบดูหมิ่นเยียดหยามคนอื่นเพราะสำหรับคนที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาหรือมีความยุติธรรม มีนิสัยเสียสละมีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นอยู่บ้างแล้วถ้าเห็นคนอื่นทำผิดอย่างที่ตัวเองเคยทำมาเขาก็จะไม่โกรธเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องของวิธีชนะความโกรธนี้ยังมีปัญหาซับซ้อนอยู่อีกมากเพราะบางคนอาจจะไม่เคยทำความผิดอย่างนั้นมาเลย เมื่อเห็นคนอื่นทำผิดก็อดเกิดความโกรธไม่ได้ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งที่คนบางประเภทมักจะเป็นกันกล่าวคือเมื่อเห็นลูกสามีภันยาหรือใครก็ตามซึ่งตัวเองรักมากทำอะไรอย่างโง่โง่ออกมาอดโกรธไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะเปรียบเทียบกับตัวเองว่า ถ้าเป็นตัวเองแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขาลืมนึกไปว่าคนเราจะมีความฉลาดเท่ากันเสมอไปไม่ได้เพราะใครจะเกิดมาฉลาดแค่ไหนอย่างไรมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นเกี่ยวกับอายุพื้นการศึกษาสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ และที่สำคัญที่สุดก็คือขึ้นอยู่กับวิบากของปัญญาที่มีมาแต่ชาติก่อนซึ่งเรียกว่าปัญญาบารมีคนประเภทนี้ในขณะที่เกิดความโกรธแน่นอนแหลือเกินว่าไม่ได้นึกถึงความจริงเหล่านี้เลยคิดแต่จะเปรียบเทียบกับตัวเองเท่านั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่สาเหตุสำคัญ สาเหตุสำคัญอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวไม่มีการเสียสละไม่มีการปล่อยวางขอให้สังเกตดูว่าคนที่เรารักแสดงความงุ่ออกมาแล้วเราโกรธนั้นเป็นเพราะเรารักเงินทองหรือสิ่งของที่ต้องเสียไปหรือเป็นห่วงชื่อเสียงมากเกินไปอะไรทํานองนี้มากกว่าเพราะการทําอะไร แม้จะเป็นการแสดงความง่ออกมาแต่ถ้าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะกลายเป็นเรื่องตลกมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่ทำให้โกรธนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่มืดบางคนมักจะอยู่แต่ในมุมนี้จึงทำให้มองไม่เห็นความจริงอีกด้านหนึ่งจึงทำให้เกิดความโกรธบ่อยๆในเมื่อคนที่ตัวเองรัก แสดงความง่ออกมา ความโกรธที่เกิดจากความเข้าใจผิดเป็นสิ่งที่แก้ไม่ยากเพราะต่อมาเมื่อมีความเข้าใจถูกแล้วความโกรธที่เก็บไว้ก็จะหายไปแต่ถ้าหากบางคนจะไม่หายก็เป็นเพราะมีทิฏฐิมานะมากเช่นทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองหลงเข้าใจผิดความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองเข้าใจ ความกลัวก็ควรจะหายไปแต่บางคนที่ไม่หายก็เพราะกลัวว่าคนอื่นจะเห็นว่าตนเองโง่และเป็นคนมีนิสัยที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดในกรณีอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าพื้นจิตใจของเขาต่ำมากถ้าเราจะมองเห็นความจริงอีกแง่หนึ่งว่าเป็นเพราะยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอยู่มาก กล่าวคือเขาไม่รู้ว่าคนที่ทำผิดและไม่รับผิดนี้ความชั่วในตัวเองจะหมดไปไม่ได้และเมื่อความชั่วไม่หมดตัวเองก็จะต้องได้รับความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วไม่รู้จักสิ้นสุดและคนที่มีความชั่วฝังอยู่ในจิตใจมากๆ ก, ก, ก็จะเป็นคนเกิดมามีปัญญาดีไม่ได้ เรื่องที่ลึกซึ้งต่างๆก็จะเข้าใจไม่ได้ขนเสียหายต่างๆที่เกิดจากความชั่วเขามองไม่เห็นและจะต้องอาภัพไปตลอดตราบเท่าที่ยังไม่ได้แก้นิสัยอันนี้ส่วนคนที่มีนิสัยทาผิดแล้วยอมรับผิดหรือมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะมีความยุติธรรมมีเมตตากรุณา สำหรับคนประเภทนี้เมื่อรู้ความจริงว่าเขาไม่ได้ผิดเหมือนอย่างที่ตนเองเข้าใจเขาก็จะหายโกรธทันทีสำหรับในกรณีที่คนนั้นทำผิดจริงเขาโกงจริงเขาด่าจริงพัญญามีชู้จริงสามีนอกใจจริงอะไรทำนองนี้คนที่ประสบกับเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองแล้วน้อยคนนักที่จะไม่โกรธ การที่โกรธก็เพราะถือว่าเขาผิดจริงแต่ความเป็นจริงแล้วถึงแม้เขาจะผิดจริงการกระทําความผิดของเขาก็ไม่ใช่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธมันอยู่ที่วิบากของความโกรธที่มีอยู่ในสันดานของตัวเองเพราะคิดอย่างไรในเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นความโกรธจึงได้เกิดขึ้น เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นแล้ววิบากของมันก็เกิดขึ้นในสันดานเมื่อวิบากของมันมีอยู่แล้วยังไม่ได้แก้ไขหรือยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีเหตุการณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นความโกรธในลักษณะเดียวกันก็จะต้องเกิดขึ้นอีกต้นเหตุของความโกรธมันอยู่ที่วิบากหรือผูอ้ใดหนึ่งคืออยู่ที่ความคิดของตัวเอง และสำหรับคนที่มีวิบากเข้มขน้นก็จะอดคิดในรูปเดิมไม่ได้อันที่จริงถ้าหากเราได้ทราบว่าความโกรธก็ดีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็ดีเป็นสิ่งที่มีผลร้ายอย่างไรบ้างเราก็จะมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนความคิดใหม่จะไม่คิดเหมือนที่แล้วมาสาเหตุที่คนเราจะต้องโกรธ ในเมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นจริงเกิดขึ้นเหมือนดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพราะไม่ทราบถึงผลร้ายของความโกรธมากกว่าเพราะฉะนั้นขอให้เรามาพิจารณาถึงผลร้ายของความโกรธ ว, ว่ามันมีอยู่อย่างไรบ้างคนเราเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็ย่อมมักจะคิดอะไรผิดผิดตัดสินใจผิดทําอะไรผิดผิด ถ้าหากจะโต้เถียงกับใครก็มีทางที่จะแพ้มากกว่าชนะคนที่ทำอะไรด้วยความโกรธจะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จไปได้อย่างดีผลร้ายดังที่กล่าวมานี้คนส่วนมากทราบกันเป็นอย่างดีแต่แล้วก็อดไม่ได้การที่อดไม่ได้นี้เป็นเพราะไม่เข้าใจซึ้งหรือเท่าที่รู้มานั้นยังผิวเผินมาก คอยพิจารณาต่อไปอีกวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตใครจะเกิดมาเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่วิบากที่มีอยู่ในวิญญาณคนส่วนมากไม่รู้และเป็นเพราะไม่รู้หลักอันนี้เขาจึงไม่รู้อีกว่าการเป็นโรคภัยไข้เจ็บง่ายอายุสั้นผิวพรรณไม่งามทั้งหมดที่กล่าวมานี้สาเหตุใหญ่ก็คือ มีบากข้องความโกรธที่สะสมอยู่ในสันดานนั่นเองทั้งนี้ก็เพราะทุกครั้งที่เกิดความโกรธความทุกข์จะต้องเกิดขึ้นด้วยเสมอซึ่งความทุกข์ที่ว่านี้จะทำให้ร่างกายมีความอ่อนแอมีความต้านทานโรคภัยไข้เจ็บน้อยทำให้อวัยวะต่างๆมีความสึกหรอรวดเร็วกล่าวคือ ส่วนที่จะซ่อมแซมให้มีความสมบูรณ์กับส่วนที่สึกหรอไม่สมดุลกันคือส่วนที่สึกหรอจะมีมากกว่าและถ้าหากคนไหนได้มีวิบากของความโกรธและวิบากของความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธติดสันดานมาตั้งแต่ชาติก่อนมากร่างกายก็จะอ่อนแอมาตั้งแต่เล็กๆและแก้ไขยากที่สุดหมายความว่า การรักษาทางยาหรือการบำรุงในด้านอาหารจะได้ผลน้อยมากถ้าหากยังไม่แก้สันดานของตัวแต่ก็มีข้อยกเว้นบ้างสำหรับบุคคลบางคนซึ่งถึงแม้จะมีใจอมหิตโกรธง่ายแต่ถ้ารู้จักยับยัง้งรู้จักทำใจให้เย็นได้ผลร้ายที่จะมีต่อร่างกายก็จะน้อยลง ผลร้ายของความโกรธที่มีต่อร่างกายในสภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเพราะในเมื่อแพทย์ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะพบว่าเขาเป็นโรคอย่างนั้นอย่างนี้จริงและก็รักษาไปตามสมุดฐานของโรคนั้นๆซึ่งก็ได้ผลฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะมองเห็นว่า โรคมีสาเหตุมาจากความโกรธได้อย่างไรแต่ถ้าหากแพทย์หรือคนที่ป่วยบ่อยๆจะตั้งข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งว่าทำไมคนที่เป็นโรคอย่างเดียวกันคนหนึ่งรักษาหายแต่คนหนึ่งรักษาไม่ค่อยหายหรือรับประทานอาหารอย่างเดียวกันคนหนึ่งอ้วนสมบูรณ์อย่างดีแต่อีกคนหนึ่งไม่อ้วนไม่แข็งแรง ทั้งทั้งที่โรคอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีนอกจากจะบอกว่าหัวใจอ่อนการย่อยไม่ดีโลหิด จ, จางอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งโรคที่ว่านี้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากทางจิตใจแต่แพทย์เองบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุทางจิตใจที่ว่านี้คืออะไรเพราะสำหรับคนที่มีวิบากข้องความโกรธ มีวิบากของความทุกข์ฝังอยู่ในจิตใจอย่างลึกซึ้งนั้นถ้าหากเขามีสิ่งแวดล้อมดีเป็นคนมีการศึกษารู้จักข่มอารมณ์หรือเก็บความรู้สึกได้ดีก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสาเหตุทางจิตใจที่ว่านี้อย่างหนึ่งก็คือวิบากของความโกรธและวิบากของความทุกข์ที่เนื่องมาจากความโกรธ การที่พระเจ้าใช้คำว่าสาเหตุอย่างหนึ่งก็เพราะยังมีสาเหตุทางจิตใจอย่างอื่นอีกหลายอย่างที่เป็นต้นเหตุของความอ่อนแอในทางร่างกายในสภาพร่างกายของมนุษย์เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ยากว่าวิบากของความโกรธมีผลร้ายต่อร่างกายอย่างไรแต่ถ้าพิจารณาดูจากสภาพร่างกายของพวกโอปะปะติกะแล้ว เห็นได้ชัดมากเพราะคนที่มีวิบากของความโกรธติดสันดานไปมากเมื่อไปเกิดเป็นโอปปาติกะบางพวกก็จะมีร่างกายพิการมีความเจ็บป่วยทรมานอยู่เสมอบางพวกก็มีร่างกายน่าเกลียดหน้ากลัวตราบใดที่วิบากยังไม่เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายก็จะอยู่ในลักษณะเช่นนั้นตลอดไป ชีวิตในโลกของโอปะปะติกาเป็นกระจกส่องให้เห็นถึงสภาพร่างกายของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนที่สุดแต่เนื่องจากคนส่วนมากเกือบจะทั้งโลกก็ว่าได้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปฏติกาเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่รู้สึกว่าวิบากของความโกรธที่สะสมอยู่ทุกวันทุกวันนี้ มันมีผลร้ายกาจต่อชีวิตอย่างมากมายเหลือเกินท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็จะขอบอกไว้ว่าสําหรับบุคคลที่ล้างวิบากของความโกรธออกจากสันดานได้หมดสิน้นกล่าวคือไม่ว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างไรความโกรธหรือความเกลียดก็ไม่มีเลยดังตัวอย่างเช่นพระเยซู หรือท่านมหาตมะคารทีบุคคลที่ทำใจได้ถึงขนาดนี้ถ้าหากยังจะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะไม่มีโรคร้ายแรงเกิดขึ้นเปน็นอันขาดกล่าวคือร่างกายจะมีความต้านทานต่อโรคทุกชนิดจะมีอายุยืนยาวจนสิ้นอายุไขผิวพรรณจะผ่องใสสมองก็ดีมากและถ้าเกิดเป็นโอปปฏติกะ ถ้าหากไม่มีวิบากของกรรมอย่างอื่นที่จะต้องชักจูงให้มาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะได้เป็นเทพเจ้าที่มีอายุยืนยาวมากอยู่ในโลกของโอปะปะิการทั้งรูปร่างและสติปัญญาราศมีจะรุ่งเรืองยิ่งนักคนส่วนมากไม่เข้าใจอานิสงส์ของความเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งและไม่เข้าใจถึงผลร้ายแห่งความโกรธอย่างลึกซึ้งนี่เอง เขาจึงไม่ยอมเปลี่ยนความคิดทั้งที่รู้อยู่ว่าเขาคิดอย่างนี้จึงได้โกรธโกรธแล้วก็ไม่สบายใจแต่ก็ช่วยไม่ได้พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทีไรจะต้องโกรธทุกครั้งเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าอาวิชชาคือต้นเหตุของความโกรธตราบใดที่ยังละอวิชชาไม่ได้คือ ย, ยังไม่เข้าใจถึงอธิสงของความไม่โกรธ และโอษของความโกรธอย่างลึกซึ้งแล้วเขาก็จะละความโกรธไม่ได้สมมติว่าท่านเข้าใจถึงเรื่องอานิสงส์ของความไม่โกรธและโอยของความโกรธดังที่กล่าวมาแล้วอย่างแจ่มแจ้งท่านก็จะเห็นได้ว่าถ้าจะมีคนมาโกงเราไปจริงๆหรือทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้จริงเราก็จะบอกกับตัวเองได้ทันทีว่า เรื่องอะไรจะต้องไปโกรธเพราะในเมื่อเราโกรธเขาเราเองเป็นคนได้รับความเสียหายเท่ากับจุดไฟเผาตัวเองเขาทำผิดก็เรื่องของเขาเราควรจะสงสารเขาไม่ใช่ไปซ้ำเติมและความเป็นจริงเขาก็คงไม่อยากจะทำผิดแต่เป็นเพราะเขาได้สร้างวิบากของเขามาอย่างนั้นไม่ว่าเขาหรือเรา ถ้าลงว่ามีวิบากมาอย่างนั้นมันก็จะต้องทำอย่างนั้นหน้าที่ของเราก็คือทำอย่างไรเราจึงจะช่วยเขาให้พ้นไปจากวิบากอันนั้นถ้าเราช่วยได้ก็จะเป็นผลดีทั้งแก่ตัวเขาและแก่ตัวเราการที่เราจะไปโกรธเขาซ้ำเติมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราควรจะให้อภัยแก่เขา เพราะถึงอย่างไรความผิดอย่างที่เขาทําอยู่นั้นแนอดีตรเราก็ต้องเคยทํามาแล้วอย่างแน่นอนจากแนวความคิดบางอย่างที่ได้ให้มานี้ท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีแน่และเป็นสิ่งที่ควรจะคิดอย่างนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราดีขึ้นแต่แล้วบางทีเราก็คิดอย่างนี้ไม่ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรนี่เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันต่อไปอีกความคิดทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากของมันการที่คนเราเปลี่ยนความคิดได้ยากทั้งนี้ก็เพราะถ้าเคยชินกับความคิดอย่างไหนมาก็มักจะต้องคิดอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งคนเราย่มคิดได้เพียงแค่สันดานของตัว แนวความคิดอันใดที่สูงกว่าสันดานของตัวเองคือสูงกว่าวิบากที่สะสมเอาไว้เขาก็จะมองไม่เห็นเป็นแน่เช่นอย่างคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวมากก็ยากที่จะมองเห็นอนิสงค์ของการเสียสละคนที่มีนิสัยโหดร้ายทารุณก็ยากที่จะมองเห็นอนิสงค์ของเมตตาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น สำหรับคนที่มีนิสัยเข้าข้างตัวไม่มีความยุติธรรมไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นและมีความโลภเห็นแก่ได้มากติดในเรื่องวัตถุมากสำหรับบุคคลประเภทนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนที่เขาโกรธทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้ทําผิดคนที่โกรธเข้าใจผิดไปเอง คนประเภทนี้แม้ภายหลังจะรู้ว่าเขาเองเข้าใจผิดความโกรธอาจจะสงบลงได้แต่เขาก็จะไม่ยอมรับผิดว่าเขาเป็นคนเข้าใจผิดแม้แต่เรื่องอย่างนี้เขายังให้อาภัยไม่ค่อยได้ยังไม่กล้าเปิดเผยตัวเองฉะนั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทำผิดจริงเขาก็ไม่มีทางที่จะตัดความโกรธได้ และเขาจะต้องคิดเหมือนอย่างที่เคยคิดมาแล้วความคิดจะต้องวนเวียนซ้ํากอยู่กับความคิดอันเดิมนี่แหละคือความอาภัพของคนที่มีนิสัยต่ำ คนที่มีนิสัยดีถ้าหากไม่เข้าใจถึงโทษของความโกรธและอานิสงค์ของเมตตาอย่างลึกซึ้งเพราะยังฝึกฝนมาน้อยในเรื่องของการปล่อยวางและในเรื่องของการเสียสละก็จะเปลี่ยนความคิดได้ยากเหมือนกันส่วนบุคคลที่ได้สร้างเมตตาบารมีมามากหัดปล่อยวางมามากเคยเอาชนะความโกรธแม่ในเรื่องร้ายแรงมามากแล้ว คนประเภทนี้จะเปลี่ยนความคิดได้ไม่ยากถ้าหากมีคนมาแนะนำหรือตักเตือนความคิดอันใดที่คิดออกไปแล้วทําให้เกิดความโกรธหรือทําให้เกิดความเกลียดเขาจะเกิดได้ง่ายจงสังเกตไว้ให้ดีว่าคนที่จะเปลี่ยนความคิดได้ง่ายอย่างนี้ไม่ใช่คนที่เพียงแต่เรียนรู้เพราะถ้าเพียงแต่ได้ฟังคาแนะนา แต่พื้นอุปนิสัยไม่ดีเขาไม่เคยอบรมมาหรืออบรมมาน้อยเขาจะเปลี่ยนความคิดไม่ได้และก็จะเข้าใจไม่ซึ้งเขาจะจำได้ก็เพียงชั่วระยะที่กําลังฟังแต่พอถึงคราวที่จะต้องใช้ต้องการระ ง, งับความโกรธเขาก็จะนึกไม่ได้ถึงคําแนะนําอันนั้นแต่เขาจะคิดไปตามนิสัยสัญดานเดิม จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าการแก้นิสัยโกรธไม่ใช่ของง่ายต้องใช้ความพยายามมากข้าพเจ้าคิดว่ามันยากเสียยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาและที่มันยากก็เพราะว่าคนที่มีนิสัยขี้โกรธนั้นจะไม่เคยมีความตั้งใจอย่างแท้จริงและมั่นคงในอันที่จะแก้นิสัยของตัว เนื่องจากมองเห็นไม่ซึง้งในเรื่องอ น, นิสง์ของความไม่โกรธและโทษของความโกรธบางอย่างเขาอาจจะมองเห็นบ้างก็มองเห็นอย่างผิวเผินและรู้สึกอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวในอันที่จะแก้นี้สัยของตัวจึงไม่เกิดขึ้นคนที่ขี้โกรธแก้นี้สัยของตัวเองยากก็เพราะเหตุนี้แหละ ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนไหนถ้าลงว่ามีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะแก้นิสัยของตัวและยอมรับผิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีที่ได้คิดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเมื่อคิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดความกรูดนั้นเขาก็มีทางที่จะชนะได้แน่นอนแต่ถึงกระนั้นก็อย่าลืมว่าคนประเภทนี้เผลอบ่อยที่สุด ร่ำเลิกความตั้งใจบ่อยที่สุดเพราะวิบากที่มีมาแต่เดิมมันเข้มขน้นฉะนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังโดยไม่มีเพื่อนหรือครูบาอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนอยู่เสมอแล้วเขาก็จะแก้ไขตัวเองได้ยากเพราะฉะนั้นทางที่ดีและได้ผลแน่นอนอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากได้อยู่ใกล้ชิด กับคนที่มีนิสยัยเมตตากรุณาเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนใจเย็นถ้าหากได้อยู่ใกล้ชิดคนประเภทนี้และนับถือเขามากก็จะเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ตัวเองพ้นมาจากนิสัยขี้โกรธ ด, ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนําไว้ตั้งแต่แรกเลยทีเดียวว่าการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิต การบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดคนที่มีนิสัยขี้กโกรธได้ชื่อว่าเป็นคนไม่มีสุริมงคลเกี่วกับตัวจะทําอะไรหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็มักจะมีแต่เรื่องผิดพลาดหรือเรื่องเสียหายเกิดขึ้นเสมอส่วนคนที่มีนิสัยไม่ขี้กโกรธย่อมตรงกันข้ามฉะนั้น คนที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดบัณฑิตห่างจากคนพานและรู้จักบูชาสิ่งที่ควรบูชาซึ่งจะทําให้ตนเองแก้นิสัยที่ไม่ดีได้ง่ายนั้นจึงนับว่าเป็นคนที่มีสิริมงคลอยู่กับตัวอย่างสูงวิธีแก้ความคิดฟุ้งซ่านอันเนื่องมาจากความโกรธยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งได้ผลแน่นอนเหมือนกัน กล่าวคือในขณะที่กำลังนั่งสมาธิถ้าความคิดฟุ้งซ่านคอยจะนึกถึงแต่เรื่องที่ทำให้ไม่พอใจทำให้เกิดความโกรธหรือเกิดความอาฆาต น, นั้นจะต้องหัดพิจารณาบ่อยๆว่าขณะนี้ความโกรธหรือความไม่พอใจกำลังเกิดขึ้นเพราะความโกรธหรือความไม่พอใจอันนี้แหละ จึงทำให้คิดไปต่างๆนานาระ ง, งับไม่ค่อยจะอยู่เมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาเช่นนี้แล้วก็ให้พิจารณาต่อไปอีกว่าความโกรธหรือความไม่พอใจนี้เป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ก็ขอให้นึกถึงตัวอย่างที่เคยผ่านมามากแล้วก็จะพบว่าเราเคยโกรธ ไม่พอใจคนนั้นคนนี้หรือเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มาบัดนี้ความโกรธหรือความไม่พอใจอันนั้นได้สูญหายไปหมดแล้วตัวอย่างเช่นนี้ทุกคนจะต้องเคยผ่านเพราะฉะนั้นก็ขอให้พิจารณาดูว่าความโกรธความไม่พอใจที่มีอยู่ในขณะนี้ สักวันหนึ่งมันก็จะหมดไปเช่นเดียวกับที่แล้วแล้วมาเพราะไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ดับนั้นไม่มีเลยเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายเพราะฉะนั้นความโกรธความไม่พอใจที่กำลังมีอยู่นี้มันเป็นสิ่งที่ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนบางคน เมื่อพิจารณาเช่นนี้บ่อยๆความโกรธหรือความไม่พอใจที่มีอยู่นั้นก็จะค่อยๆสงบไปเมื่อต้นเหตุสงบแล้วความฟุ้งซ่านก็จะสงบแต่ถ้าหากคนไหนแม้จะรู้อยู่อย่างนี้แต่ความโกรธก็ยังไม่ยอมสงบก็ขอได้พิจารณาต่อไปอว่าเราอยากจะให้ความโกรธความเกลียด ฝังใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรือว่าจะเอามันออกให้พยายามถามตัวเองเช่นนี้หลายๆครั้งจนกว่าจะมีคำตอบจากใจของตัวเองว่าเราต้องการจะ อ, ออกเพราะเราได้มองเห็นแล้วว่าการมีความโกรธหรือความเกลียดฝังอยู่ในใจไม่เป็นผลดีอะไรแก่ตัวเองเลยมีแต่จะทำลายตัวเองทุกอย่าง ซึ่งถ้าหากคนไหนยังมองไม่เห็นโทษก็ให้กลับย้อนไปอ่านในตอนต้นซึ่งได้ชี้แจงไว้โดยละเอียดแล้วถ้าหากได้มองเห็นโทษและเต็มใจที่จะขจัดความโกรธให้หมดไปจากสันดานมันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะระ ง, งับได้รวดเร็วแต่ถ้าความตั้งใจที่จะขจัดให้หมดไปยังไม่เกิดขึ้น การพิจารณาดังที่กล่าวมาก็จะใช้ไม่ได้ผลอันที่จริงการพิจารณาในแง่นี้สามารถที่จะนํามาใช้ได้กับความรู้สึกทุกทกอย่างเช่นความรักความโลภความยึดถือและความรู้สึกอื่นๆทุกประเภทรวมทั้งความคิดเห็นและสติปัญญา เพรสิ่งเหล่านี้ดับได้สูญสิ้นได้หมดไปได้เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นตราบใดที่ใจของเรายังเข้าไม่ถึงความจริงอันสูงสุดความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าหากคนไหนไม่พยายามที่จะยึดถือเอาไว้มันก็เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ ถ้าหากเรามีการศึกษามีการคนา้นคว้าและมีการปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นโดยลำดับ กำจัดความโกรธดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลายตอนนั้นอันที่จริงยังไม่ใช่วิธีที่จะได้ผลอย่างเด็ดขาดเป็นวิธีประกอบหรือวิธีระ ง, งับความโกรธให้สงบลงได้ชั่วคราวเท่านั้นในบางครั้งถ้าความโกรธรุนแรงเกินไปวิธีต่างๆดังที่ได้แนะนํามาก็อาจจะนําเอามาใช้ไม่ได้ผลแต่อย่างไรก็ตาม วิธีต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วก็จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อรั ง, งับความโกรธให้สงบลงชั่วคราวก่อนส่วนวิธีที่จะได้ผลอย่างเด็ดขาดหรือได้ผลมากกว่าวิธีอื่นดังที่จะได้กล่าวไว้ในที่นี้นั้นโดยปกติถ้าหากคนไหนไม่มีพื้นคือไม่เคยปฏิบัติตามแนวที่ได้แนะนำมาก่อน วิธีที่จะกล่าวไว้ในที่นี้ก็ไม่อาจที่จะนำไปปฏิบัติได้เพราะเป็นวิธีที่ยากน้อยคนที่จะเข้าถึงวิธีที่ว่านี้ก็คือการปล่อยวางตัวตนทั้งหมดการปล่อยวางที่ว่านี้หมายถึงการปล่อยวางความคิดเห็นทุกอย่างความยึดถือทุกอย่างความอยากได้ทุกอย่างซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกก็ตามต้องปล่อยวางให้หมด เพราะความรู้สึกความนึกคิดความคิดเห็นความยึดถือความต้องการความสุขความทุกข์ทุกอย่างที่ยังถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมดาในชีวิตของปุถุชนนั้นถ้าจะพูดว่าอะไรผิด ก็เพราะในขณะนั้นกำลังนึกถึงเรื่องอีกแง่หนึ่งที่ตรงกันข้ามและเข้าใจว่าสิ่งนั้นถูกในทำนองเดียวกันถ้าจะบอกว่าสิ่งไหนถูกก็เพราะไปนึกถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามอีกสิ่งหนึ่งความดีความชั่วความสูงความต่ำความอ้วนความผอมความสวยความไม่สวย ลักษณะที่เป็นคู่และตรงกันข้ามเช่นนี้โดยตัวของมันเองตามลาพังแล้วไม่มีจริงหรือผูอ้ในหนึ่งทุกอย่างที่เราถือว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกอะไรทํานองนี้ถึงแม่สิ่งที่ถือนั้นตามความเข้าใจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดจริงก็ตามแต่มันก็เป็นความจริงสัมผัสไม่ใช่ความจริงที่เป็นอิสระ ไม่ใช่ความจริงขั้นสูงสุดสิ่งใดที่เป็นความจริงสัมผัสกล่าวคือเราจะต้องบอกว่าอะไรเป็นอะไรก็ต่อเมื่อมีสิ่งเปรียบเทียบจะต้องนึกถึงสิ่งตรงกันข้ามไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจที่จะบอกได้ว่าอันนี้ดําหรือขาวสูงหรือต่ําดีหรือชั่วอะไรทํานองนี้ความจริงอย่างนี้อยู่ในกฎของตรรกะ คือเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าอะไรที่เราถือว่าดีหรือไม่ดีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยสิ่งที่เคยถือว่าดีในบางขณะก็อาจจะเห็นว่าไม่ดีสิ่งที่เคยเห็นว่าไม่ดีในบางขณะก็อาจจะเห็นว่าดีทั้งนี้ก็เพราะสุดแล้วแต่ว่า ในขณะนั้นเราจะมีความต้องการอย่างไรนึกถึงในแง่ไหนคนโดยมากไม่ค่อยจะพิจารณาถึงความหลอกลวงแห่งความคิดของตนเองมักจะยึดถืออยู่เสมอว่าสิ่งใดที่ตนเห็นว่าถูกหรือผิดก็จะยึดถือว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหารู้ไม่ว่าความผิดหรือความถูก ความดีหรือไม่ดีที่ยึดถืออยู่เสมอนั้นทุกอย่างเป็นมายาคนที่รู้ความจริงในเรื่องนี้แล้วก็ย่อมพยายามที่จะปล่อยวางซึ่งใหม่ๆก็เป็นการยากที่จะเห็นว่าความคิดของตนเองทุกอย่างเป็นมายาแต่ถ้าหากเริ่มปล่อยวางได้บ้างทั้งในทางดีและในทางชั่วโดยเห็นว่า ดีหรือชั่วก็คือสิ่งเดียวกันหรือพูดอีกในหนึ่งดีก็อาจจะกลายเป็นชั่วหรือชั่วก็อาจจะกลายเป็นดีได้สําหรับคนที่รู้สึกอย่างนี้และเริ่มปล่อยวางได้บ้างนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าในใจเริ่มมีความสงบเกิดขึ้นซึ่งในความสงบอันนี้มีความแจ่มใสมีความเบิกบานมีอํานาจต้านทานต่อความทุกข์ และเป็นวอกเกิดแห่งความคิดที่ดีๆซึ่งสามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คนที่ปฏิบัติจนกระทั่งมีผลอย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเท่านั้นจึงจะเริ่มรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุอะไรล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีและมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะระ ง, งับ หรือดับไม่ให้มันเกิดไม่ว่าใครจะทําผิดร้ายแรงหรือทําความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองมากมายสักเพียงไรก็ตามเขาก็จะมองเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่จําเป็นและเขาจะเห็นชัดว่าถ้าหากปล่อยให้มันเกิดก็หมายความว่าวิบากขรมมันจะต้องเกิดอีกแล้วก็จะหนีความโกรธไม่พ้น และทวิบารของความโกรธยังมีในสันดานยังเอาออกไม่ได้ยังเอาชนะไม่ได้ยังลบล้างไม่ได้ก็หมายถึงว่าตัวเองยังไม่มีโอกาสที่จะรู้อะไรถูกต้องตามความเป็นจริงและไม่มีโอกาสที่จะเข้าสมาธิได้ลึกไม่มีโอกาสที่จะพ้นจากความทุกข์การปล่อยวางเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่าง ได้เป็นผลสำเร็จอันหนึ่งในเมื่อปล่อยวางได้เอาชนะความหลอกลวงแห่งความคิดของตนเองได้ก็จะทำให้มองเห็นชัดว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากกล่าวคือทั้งร่างกายก็ดีความรู้สึกนึกคิดก็ดีความสุขความทุกข์ก็ดีความเจริญความเสื่อมก็ดี ทุกอย่างเป็นผลที่เนื่องมาจากวิบากทั้งสิน้นสังขารคือวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารคือวิบากเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปหลักอันนี้จะค่อยๆเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งขึ้นโดยลำดับคนไหนถ้าลงว่าเข้าใจหลักความจริงอันนี้ค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็เท่ากับว่า คนคนนั้นเพิ่งจะมีดวงตาเกิดขึ้นหลังจากที่บอดมาแล้วตลอดการทุกชาติคนที่เข้าถึงความจริงในจุดนี้เท่านั้นที่จะเริ่มรู้สึกอย่างจริงใจว่าทุกอย่างที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานานความจริงไม่ใช่ที่พูดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเขาก็จะมองเห็นว่า ไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายตัวเราแท้แท้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บและก็ไม่ได้ตายเพราะถึงแม้ร่างกายอันนี้จะแตกดับและทุกสิ่งทุกอย่างจะสูญเสียไปหมดเขาก็มองเห็นชัดว่าชั้นยังอยู่ทุกอย่างที่เคยเป็นสมบัติของฉัน้นมันก็ยังอยู่สิ่งที่เป็นตัวชั้นหรือเป็นของของชั้นแท้แทนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ตามองเห็นหรือหูได้ยินไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ทุกอย่างที่ตามองเห็นหรือเข้าใจว่าเป็นตัวเราหรือของของเรานั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นมายาการเข้าใจเรื่องอนาตาัตต์จะอยู่กับการเข้าใจเรื่องวิบากอย่างลึกซึ้งเข้าใจเรื่องตายแล้วเกิดเข้าใจเรื่องโอปปติกะรเข้าใจเรื่องชะตาชีวิต ความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานสาคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราปล่อยวางได้และความเข้าใจที่ว่านี้จะต้องมีอย่างเพียงพอคือจะต้องแจ่มแจ้งจะต้องเป็นความเข้าใจที่เกิดจากความรู้สึกภายในจะต้องเป็นความรู้สึกประทับใจคือเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ลบเลือนไปจากความรู้สึกนึกคิดประจาวัน ไม่ว่าจะทำงานอะไรหรือยุ่งกับอะไรความรู้สึกที่ว่านี้จะมีอยู่ตลอดเวลาคนโดยมากที่สนใจธรรมะมักจะลืมข้อเท็จจริงอันนี้การปล่อยวางในเรื่องตัวตนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายถ้าหากไม่มีสิ่งทดแทนหมายความว่าคนเราจะละตัวตนได้ก็ต่อเมื่อมองเห็นตัวตนอีกอันหนึ่งที่ดีกว่า และตัวตนที่ว่าดีกว่านี้วันหนึ่งในเมื่อฉลาดมากขึ้นจิตใจประนีชขึ้นเขาก็จะละมันอีกเพราะมองเห็นตัวตนอีกอันหนึ่งซึ่งดีกว่าอันเก่าการปฏิบัติจะต้องค่อยๆก้าวหน้าไปในลักษณะนี้ข้าพเจ้าเคยพูดบ่อยครั้งว่าการบรรลุถึงนิพพานไม่มีทางลัด ทุกคนจะต้องก้าวขึ้นมาตามลำดับเหมือนกันหมดถ้าเพื่อนคุณธรรมหรือสติปัญญายัางเจริญไม่ถึงขีดของมันเขาก็จะก้าวไปถึงขั้นของมันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการจำเป็นที่การสอนและการปฏิบัติจะต้องวางรากฐานให้ถูกผู้ที่เริ่มมองเห็นความหลอกลวงแห่งความคิดของตนเองคือมองเห็นว่าอะไรที่ว่าผิดหรือถูก ดีหรือชั่วไม่ใช่ความจริงและเริ่มปล่อยวางได้คนที่รู้สึกอย่างนี้และทําได้อย่างนี้เท่านั้นจึงจะเริ่มเข้าใจถึงเรื่องวิบากด้วยตนเองและเมื่อเริ่มเข้าใจเรื่องวิบากอย่างแท้จริงแล้วการเอาชนะความโกรธก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากและถ้าหากคนไหนทั้งที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วแต่ก็ยังเอาชนะไม่ได้นั้น มีความหมายแต่เพียงว่าเขายัางใช้นี่ของเขาไม่หมดแต่เขาก็ไม่สร้างนี่ใหม่ขึ้นมาอีกและทุกครั้งที่ความโกรธเกิดขึ้นก็หมายถึงว่ามันทำให้เขาก้าวหน้าขึ้นคือทำให้เขามองเห็นชัดยิ่งขึ้นว่าความโกรธไม่ดีและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้มองเห็นชัดว่าความคิดที่ทำให้เกิดความโกรธนั้น เป็นความคิดที่หลอกลวงอย่างไรเขาจับความเท็จหรือจับความหลอกลวงในความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดความโกรธจึงหมายความว่าเขาจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมจงสังเกตว่าเรื่องในทํานองเดียวกันนี้ที่เคยย่อยุให้เกิดความโกรธนั้นถ้าหากมันเกิดขึ้นอีก ความโกรธ จ, จะน้อยลงกว่าเดิมจนกระทั่งสิ่งที่ยั่วยุนั้นหมดความหมายคือไม่อาจที่จะก่อให้เกิดความโกรธได้อีกต่อไปอย่าลืมว่าการปล่อยวางความคิดเห็นและความยึดถือต่างๆ น, นั้นเป็นจุดสำคัญที่สุดเป็นวิธีเดียวที่ได้ผลแน่นอนในการระงับความโกรธในการทำลายล้างวิบากของความโกรธ ที่มีอยู่ในสันดานให้หมดสิ้นไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจิตของพระปัญจวัคคีได้หลุดพ้นแล้วจากกามาสวะจากภวาสวะและจากอวิชชาสวะเพราะไม่มีอุปาทานและอีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อรู้แจ้งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นอัตตาของเราพระอริยสาวกทั้งหลายเมื่อได้ทราบเช่นนี้แล้วทุกองย่อมเบื่อหน่ายคือคลายความรักความยึดถือในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายแล้ว จิตย่อมคลายออกจากกิเลสทุกอย่างเมื่อจิตคลายออกจากกิเลสแล้วก็ย่อมหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะรู้แจ้งแก่ใจของตนเองว่าบัดนี้เราได้หลุดพ้นแล้วพุทธพจน์ที่อ้างมานี้ขอให้พิจารณาโดยละเอียดอ่านหลายหละครั้งพระพุทธพจน์สั้นๆดังที่กล่าวมานี้ถ้าเข้าใจซึ่งจริงๆแล้ว ก็จะได้หลักในการปฏิบัติทั้งหมดไม่เฉพาะแต่ในเรื่องการละความโกรธเท่านั้นแต่หมายถึงการละกิเลสทุกชนิดขอให้สังเกตว่าถ้าละอุปาทานได้หมดก็จะทําให้ละอวิชาและตัณหาได้หมดทุกอย่างคําว่ากามาสวะภวาสวะหมายถึงกามาตัณหา และภาวะตันหาที่สะสมอยู่ในสันดานอาวิชาสะวะก็คืออวิชาที่สะสมอยู่ในสันดานหรือพูดอีกในหนึ่งกามาสะวะก็คือวิบากของกามาตันหาภวาสะวะก็คือวิบากของภวะตันหาอาวิชาสะวะก็คือวิบากของอวิชาโดยธรรมดาต้นไม้ย่อมเกิดจากมเมล็ดของมัน และจะเกิดเป็นต้นอะไรก็สำคัญอยู่ที่มเมล็ดของมันข้อนี้ฉันใดกิเลสทุกอย่างก็เหมือนกันคือเกิดมาจากวิบากของมันถ้าวิบากของมันไม่มีแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้และอย่าลืมว่าทุกครั้งที่กิเลสเกิดวิบากของมันจะต้องเกิดอีกและโดยธรรมดากิเลสประเภทที่เรียกว่าอาสวะนั้น เกิดขึ้นในจิตสำนึกทุกขณะโดยเฉพาะในชีวิตของคนธรรมดาที่เข้าฌานไม่ได้และไม่ได้อยู่ในฌานน้นอสศาวะจะต้องเกิดขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นคนเราจึงได้ชื่อว่าสะสมวิบากอยู่ตลอดเวลาและคำว่าอสศาวตามสาบแท้ แ, ทแปลว่ากิเลสที่ไหลออกมาเสมอ พระพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าความเข้าใจในเรื่องวิบากอย่างลึกซึ้งเข้าใจเรื่องตายและเกิดเข้าใจเรื่องโอปะปะติกะและเข้าใจเรื่องชะตาชีวิตความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราปล่อยวางและในเมื่อเริ่มปล่อยวางได้บ้างแล้วเขาก็จะรู้ซึ้งถึงความจริงว่า ตัวชีวิตจริงๆไม่ใช่ร่างกายอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดอันนี้ไม่ใช่นามารูปอันนี้ตัวชีวิตจริงๆนั้นมันจะมีอยู่ตลอดไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายและชีวิตที่ว่านี้จะดีขึ้นโดยลําดับสมบูรณ์ขึ้นโดยลําดับถ้าหากเรามีการปล่อยวางมากขึ้นทําใจให้ว่างมากขึ้นอย่าลืมว่า การปล่อยวางทุกอย่างจะต้องมีสิ่งทดแทนกล่าวคือเมื่อเราจะปล่อยวางตัวตนอันไหนหรือจะปล่อยวางสิ่งใดก็ตามจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราได้พบตัวตนอันใหม่หรือสิ่งใหม่ที่ดีกว่าตัวตนอันเก่าและสิ่งที่เคยยึดถือมาแล้วการปล่อยวางในขั้นสูงสุดคือในขั้นพระอราหันต์ซึ่งท่านไม่ยึดถืออะไรอีกต่อไป ไม่ต้องการจะมีจะเป็นอะไรอีกต่อไปต้องการแต่อย่างเดียวเท่านั้นคือความดับไม่มีเหลือของนามารูปการที่ท่านต้องการเช่นนั้นก็เพราะท่านได้มองเห็นแล้วว่าถ้ายังมีความอยากหรือความยึดถือเหลืออยู่แม้เพียงเล็กน้อยชีวิตก็จะสมบูรณ์จริงๆไม่ได้ปัญญาก็จะสมบูรณ์จริงๆไม่ได้ เพราะได้มองเห็นความจริงอันนี้จึงได้ปล่อยวางหมดไม่มีเหลือแต่สำหรับคนธรรมดาทั่วไปแม้จะได้ชื่อว่ายังเป็นปุถุชนอยู่การปล่อยวางก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันจะต้องมีการปล่อยวางอยู่เสมอไม่เช่นนั้นแล้วในชีวิตจะมีแต่ความทุกข์จะไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะหัวเราะหรือยิ้มออกมาได้ และการปล่อยวางนั้นไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งทดแทนเท่านั้นสำหรับคนที่เคยเข้าสมาธิได้ดีคือนั่งทีไรใจสงบมีสติอยู่กับตัวเสมอความฟุ้งซ่านไม่มีถ้าลงว่าได้เข้าใจถึงเรื่องชีวิตดังที่กล่าวมาสมาธิจะไม่มีทางถอยหลังเลย จะรู้สึกเห็นคุณค่าของการทำสมาธิและวิปัสสนายิ่งขึ้นโดยลำดับและจะมีความแน่ใจหนักแน่นยิ่งขึ้นว่าการปฏิบัติตามมารกมีองแปดหรือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์นำไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิตสำหรับคนที่เข้าใจถึงขั้นนี้แล้วก็จะไม่มีคำแนะนำใดๆสำหรับเขาอีก พระตูเขาเองย่อมรู้อยู่แก่ใจตลอดเวลาว่าการปฏิบัติสำหรับเขามีอยู่วิธีเดียวคือทำเหมือนอย่างที่เคยทำมาให้มากยิ่งยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะเขารู้แน่แก่ใจแล้วว่าไม่ว่าจะปฏิบัติมาโดยวิธีไหนในรัฐที่ไหนในศาสนาไหนก็ตามถ้าหากว่าการปฏิบัติอันนี้ จะเป็นทางทำให้มีสติอยู่กับตัวและทำให้คอยระวังมิให้ความโกรธความเกลียดหรือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นไม่ทำให้เกิดความขุ่นมัวไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานไม่ทำให้ใจตกเป็นทาสของอารมณ์ต่างๆแล้วเป็นวิธีที่ใช้ได้ทั้งสิน้นจะแตกต่างกันแต่เพียงว่าวิธีไหนจะได้ผลเร็วกว่า หรือเป็นทางที่ตรงกว่าแต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สาคัญความสาคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองเพราะในเมื่อคนเรามีวิบากมาต่างกันมีนิสัยสันดานต่างกันมันเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะวิธีอย่างเดียวกันมาปฏิบัติและได้ผลเหมือนกันทุกคนวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดสาหรับคนคนนี้ แต่กับคนอื่นก็อาจจะไปใช้ไม่ได้และด้วยเหตุนี้เองศาสนาจึงจำเป็นต้องมีหลายศาสนาหลายลัทธิหลายนิกายถ้าไม่เชนนั้นแล้วคนทั้งหลายในโลกเขาก็จะก้าวขึ้นมาสู่ความหลุดพ้นไม่ได้ในเมื่อวิธีที่คนจะปฏิบัติได้จริงๆมีอยู่ในวงแคบๆ เพราะคนเหล่าอื่นปฏิบัติตามไม่ได้เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมนิสัยสันดานของตัวเองทําให้ปฏิบัติตามวิธีนั้นไม่ได้คนที่จะขจัดความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวให้หมดไปจากสันดานได้จะต้องเป็นคนใจกว้างไม่ใช่มองเห็นเฉพาะแต่วิธีของตัวเท่านั้นเป็นวิธีที่ใช้ได้ ส่วนวิธีของคนอื่นใช้ไม่ได้และอีกประการหนึ่งคนที่จะก้าวมาสู่ความหลุดพ้นจากความรู้สึกที่ว่านี้ได้จะต้องเป็นคนที่สามารถมองเห็นแม้กระทั่งความประพฤติชั่วก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยคนเหล่านี้ดีขึ้นมาได้เพราะบางคนถ้าไม่ทำชั่วอย่างนั้นเขาก็จะดีขึ้นมาไม่ได้ ถึงแม้เราจะรู้อยู่ว่าความประพฤติ ช, ชั่วจะต้องทําให้เขาได้รับความเดือดร้อนทําให้ต้องเสียเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่เราก็ต้องรู้ว่าทั้งที่เรารู้อยู่ว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ที่เราสามารถจะแนะนําให้เข้าปฏิบัติได้แต่ในเมื่อเขาไม่พร้อมที่จะปฏิบัติวิธีนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะถึงอย่างไรการประพฤติชั่วของเขาแม้จะทำให้เขาล่าช้าต่อความหลุดพ้นแต่มันก็ยังดีกว่าเพราะสักวันหนึ่งก็จะทำให้เขาสานึกผิดแล้วความตั้งใจที่จะเลิกประพฤติเช่นนั้นก็จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงคนที่กำลังใช้กรรมของตัวในอบายภูมิในเมื่อกรรมขเขาเขายังไม่สิ้น ในระหว่างนี้ใครๆก็ช่วยเขาไม่ได้เพราะเหตุนี้ในบางครั้งจึงจำเป็นต้องวางอุเบกขาและก็เป็นความจริงด้วยที่ว่าสำหรับคนที่ไม่เห็นใจคนชั่วไม่เห็นประโยชน์ของความชั่วแน่นอนเหลือเกินว่าเขาย่อมจะมีความโกรธและความเกลียดในคนที่ประพฤติชั่วได้ง่ายมาก ความไม่รอบคอบในเรื่องนี้เท่ากับเป็นช่องทางให้เกิดความชั่วในตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวในคำพีเคยกล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีน้ำพระทัยเสมอกันในพระเทวทัตผู้เป็นศัตรูและในพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์คำว่ามีน้ำพระทัยเสมอในที่นี้หมายความว่า พระองค์ไม่ทรงเกลียดหรือโกรธแค้นในพระเทวทัตเลยไม่ว่าพระเทวทัตจะประทุษร้ายต่อพระองค์สักเพียงไรก็ตามพระองค์ทรงมีน้ำพระทยัยประกอบไปด้วยเมตตากรุณาในพระราหุนฉันใดก็ทรงมีแก่พระเทวทัตฉันนั้นและเราจะสังเกตได้ว่าพระราหุนพระองค์ทรงแนะนําต่างๆ ส่วนพระเทวทัตพร่งทรงแต่เพียงให้สติเพราะพระองค์รู้อยู่ว่าถึงจะทรงห้ามอย่างไรพระเทวทัตก็ทำตามไม่ได้จึงได้ทรงวางเฉยไม่ทรงเอาเป็นทุระนอกจากจะมีปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นแต่แล้วในที่สุดก็ได้ผลคือเมื่อพระเทวทัตจวนจะตาย หลังจากที่ได้ทำความชั่วมาจนสะสมแก่ใจทุกอย่างแล้วก็สำนึกได้อย่างลึกซึ้งว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของท่านและได้ตั้งใจอย่างเดียดเดียวที่จะเลิกประพฤติความชั่วทุกๆอย่างและยอมรับนับถือเอาพระพุทธองค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดสำหรับตัวเองสิ่งสิ่งนี้ล่ละ ที่พระพุทธเจ้าทรงรอค อ, อยที่จะเห็นพระเทวทัตกลับใจและพระองค์ยังได้ทรงพยากรณ์ว่าหลังจากที่พระเทวทัตได้ใช้เวรใช้กรรมจนหมดสิ้นแล้วชีวิตของท่านก็จะก้าวหน้าขึ้นมาโดยลําดับจนกระทั่งในที่สุดจะได้สําเร็จเป็นพระปัตเจกกับพุทธเจ้ า, จาองค์หนึ่งในอนาคตคนที่จะไม่โกรธและไม่เกลียดใครเลยนั้น จะต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวมีน้ำใจเสียสละอย่างสูงมีความยุติธรรมอย่างสูงและเหนือสิ่งอื่นใดจะต้องมองเห็นชัดว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธและความเกลียดแม้เพียงเล็กน้อยถ้าหากเกิดขึ้นในใจมันคือยาพิษหรือสิ่งที่จะทำลายทุกๆอย่าง